พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขม่มทรงคุ้มครองทรงรักษาทรงสำรวมจักสุอันหน้าพอใจในรูปเคือฝึกตาเนี่ยนะทรงขม่มทรงคุ้มครองรักษาเพราะปกติตาเนี่ยชอบใจในรูปปกติตานะชอบใจในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปและพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อสารวมตาด้วยนะซึะง่งต่างจากเราใช่ไหเราเนี่ยปกติเนี่ย ตามีรูปเป็นที่มายินดีไปลองเขามีงานที่ก็ต้องใช้ตาดูสิแล้วปิดตาเราอ่ะจะเดือดร้อนขนาดไหน่ไงเขาบอาเขาเปิดเพลงที่เราชอบที่สุดแล้วเข้าอุดหูเราโดยที่ไม่ให้เราได้ยินนะจะเดือดร้อนขนาดไหนปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะถึงตาจะยินดีในรูปหูจะป ก, ปกติของหูมีไว้เพื่อฟังเสียงจมกูกมีไว้รู้กลิ่นลิ้นมีไว้รู้รสกายมีไว้รับกระทบโพธาพันเนี่ยนะ ใจมีรับกระทบธรรมรมณ์เนี่ยพระองค์นี่ฝึกคุ้มครองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะเดียวกันพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสังวรนะสังวรก็คือสังวรห้นะพระงให้สังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีลสังวรสติสังวรขันติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรเนี่ยนะ ซึ่งประพันธ์เป็นคถาว่าชนทั้งหลายย่อมนํายานที่ตนฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชา ย, ย่อมทรงประทับยานที่สารถีฝึกดีแล้วใช่ไหมถ้าเป็นพูดถึงสมัยก่อนนะนี่เขาใช้ยานช้างยานมา้าเนี่ยก็ต้องใช้ช้างม้าที่ฝึกดีแล้ว่พระราชาจึงจะใช้แต่ว่าบุคคลที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์นี่นะทันโตเศธโธมนุษย์เสสุเนี่ยนะในหมู่มนุษย์ชนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุด บุคคลใด ย, ย่อมอดทนคําที่ล่วงเกินได้บุคคลนั้นเป็นผู้ประเสริฐนะถ้าอดทนนะถ้าอดทนคําคนระดับสูงล่วงเกินเนี่ยไม่เรียกว่าอดทนเพราะมันต้องทนอยู่แล้วแต่ถ้าอดทนในคนชั้นล่างดูหมิ่นได้ น, ะนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดจริงๆม้า อ, สอัสดรม้าอาชาไนาม้าสินทบช้างใหญ่คือกุญชรที่เขาฝึกแล้วจึงประเสริฐเนี่ยนะพวกมาพวกช้างเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่ได้เรื่องอนะ่ะ บุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐยิ่งกว่ายานมีม้าอสเดรม้าอาชาไนาม้าสินทบช้างกุญชอเนี่ยนะเพราะนั้นผู้ที่ฝึกตัวเองเรียบร้อยประเสริฐกว่าสัตว์เหล่าทุกชนิดใครๆไม่พึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านั้นไม่มีใครขี่ช้างไปนิพพานได้หรอกนะพูดง่ายๆเลยนะไม่มีใครขี่ช้างขี่ม้าไปนิพพานได้เหมือนบุคคลที่ฝึกตนเนี่ย ฝึกด้วยด้วยการฝึกอินทรีย์ฝึกด้วยดีด้วยอริยมรรคภาวนาผู้ที่ฝึกตนด้วยอริยมรรคอย่างนี้ไปสู่ทิศคือนิพพานที่ไม่เคยไปฉะนั้ น, น, นแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยขี่ช้างขี่ม้าไปนิพพานได้หรอกอนีนะถ้าขีนาศพทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะมานะทั้งหลายย่อมเป็นผู้หลุดพ้นจากกรรมมกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆ่อกรรมมกิเลสนั่นแหละตัวพาเกิดบ่อยๆ่อยพาหันเนี่ยบรรลุถึง ภูมิที่ฝึกแล้วคืออรหัตผลพระขีนาศพเหล่านั้นเป็นผู้มีความชนะในโลกอินทรีย์ทั้งหลายท่านชนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจหมดนะแต่ของสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอ๊ะมันน่าดูเนี่ยดูซะหน่อยมันน่าฟังเนี่ยฟังซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะองค์เนี่ยชนะหมดแล้วพระขีนาศพใดให้เจริญแล้วอายตนะภายในอายตนะภายนอกพระขีนาศพเหล่านั้นทําให้หมดพยศแล้ว พระคีณาศพนั้นล่วงแล้วซึ่งโลกนี้และโลกอื่นในโลกทั้งปวงมีธรรมะอันให้เจริญแล้วฝึกดีแล้วย่อมหวังมรณะกนันผู้ที่ฝึกด้วยอริยมรรคไว้เรียบร้อยแล้วนะที่รอท่านรออะไรรอตายอย่างเร็วนะสบายแล้วจบแล้วนะก็เหมือนกับตั๋วก็ซื้อหมดแล้วอะไรก็ซื้อหมดแล้วเนี่ยนะรออะไรถ้าเวลาเราจะเดินทางไหยรอขึ้นหรือว่าชอบชอบชอบอยู่คุยกับพวกก่อน ยังไม่ต้องรีบขึ้น่ะมีไหมไม่ใช่รอขึ้นอย่างเดียวนนะทีนี้คำถามอนนะทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นคำชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ถึงเวทเป็นผู้มีฝึกตนเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ถ า, ถามว่าทุกทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรทุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกมรณะโซกาปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตทุกอ่ะหรือว่าทุกในนรก เดรัจฉานเปรติวิสัยทุก์ในมนุษย์ทุกในการก้าวลงสู่คันตั้งอยู่ในคันทุกในการออกจากครันทุกเนื่องให้สัตว์เกิดทุกเนื่องจากผู้อื่นเนื่องแต่สัตว์ผู้เกิดทุกข์ที่เกิดจากความเพียรของตนทุกที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นหรือว่าทุกขเวทนาเท่ากัทุกขทุกขสังขารทุกข์วิปริณามทุก์หรือโรคทั้งหลายโรคตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย โรคทั้งหลายสารพัดโรคอะนะทั้งบนปลายเท้าขึ้นมาเพื่อต่ำปลายผมลงไปตรงไหนมันโรคไม่มีบ้างอะนะสารพัดโรคอยู่ในนั้นอะหรืออาภาตที่เกิดจากสมุทฐานต่างๆมีดีเซมหะลมหรือว่าพวกเหล่านั้นประชมกันหรือว่าอุตุแปรหรืออิริยาบทไม่เสมอเกิดจากความเพียรเกินไปหรือเกิดจากผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นความหนาวความร้อนความหิ่นกระหายความปวดอุจาระปัสสาวะทุกที่เกิดจากเลือบยุงลมแดด และสัมผัสแห่งสัตว์เสือคลานหรือว่าทุกเพราะพ่อตายแม่ตายพี่น้องพี่ชายตายพี่หญิงน้องหญิงตายลูกชายลูกสาวตายหรือว่าเสียญาติเสียทรัพย์เสียศีลเสียทิฐิเนี่นนยนะหรือรูปธรรม ท, ทั้งหมดที่กล่าวไปมีความเกิดเป็นปรากฏเป็นเบื้องต้นมีความดับไปในเบื้องปลายวิบากอาศัยกรรมกรรมอาศัยวิบากนามอาศัยรูปรูปอาศัยนามนามรูปเป็นไปตามชาติชราติดตามพญาที่ครอบงํามรณะห้าหัน ตั้งอยู่ในทุกข์ไม่มีอะไรเป็นที่ต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร่นไม่มีอะไรเป็นสารณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์นะท่านเมตตครูย่อมทูลถามทูลวิงวอนทูลเชื่อเชิญทูลให้ทรงประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยแห่งทุกข์เหล่านี้ว่าทุกข์เหล่านี้เข้ามาถึงพร้อมเกิดประจักษ์บังเกิ ด, บ, กดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วมาจากอะไร ทุกทั้งหมดมันเกิดจากอะไรเนไันั้นสรุปคำถามที่ท่านเมตคูถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ย่อมสำคัญซึ่งพระองค์ว่าเป็นผู้จบเวทคือจบปัญญาเนี่ยนะถึงพร้อมปัญญาเนี่ยพระองค์มีตนอันให้เจริญแล้วคือเจริญตัวเองมาเรียบร้อยแล้ว ถามว่าทุกทั้งหลายมีชนิดเป็นอันมากเราใดเราหนึ่งในโลกทุกทั้งหมดเกิดมาจากไหนเนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนเมตตาครูท่านถามถึงเหตุแห่งทุกข์เราแล้วเรารู้อย่างไรก็จะบอกเหตุนั้นแก่ท่านทุกทั้งหลายมีชนิดเป็นอันมากอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกมีอุปทิศเป็นเหตุยนยะย่อมเกิดขึ้นอุปทิ คือกิเลสูปธัธิอ่ะ น, นะกิเลสูปัิโดยเฉพาะตันหานี่แหละเป็นเหตุเกิดมันทุกอย่างที่กล่าวไปหมดเนี่ยนะถ้าไม่มีตันหานะกรรมมันจะมีไหมถ้าไม่มีกิเลสูปธัธิกรรมมูปธัธิกรรมมูปัธิจะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีกรรมจะชาติทุกทั้งหมดที่กล่าวไปจะมีไหมนั่นว่าสรุปก็บอกว่าทุกเกิดจากอุปธิคือตันหานเป็นต้นนั่นแหละนนะคําว่าทุกขแห่งกะทุกข ทุกทั้งหลายเนี่ยนะคือชาติทุกชราพยาธิมรณะโซกาปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาสนี่เรียกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นท่านถามวิงวอนเชื้อเชิญให้ประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทายแ ห, ห, ห่งทุกข์เราที่ท่านถามเหตุแห่งทุกข์เราเนี่ยนะเรารู้อยู่รู้ทั่วรู้แจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดอย่างไรเราจะบอกอย่างที่ประจักษ แก่ตนเนี่ยที่เรารู้เฉพาะตนเองที่เราเราตอบท่านตายนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บอกเพราะกล่าวตามๆกันมานะไม่ใช่บอกเพราะได้ยินกันมาไม่ใช่บอกเพราะลําดับสืบสืบกันมา overlooked? ไม่ได้บอกโดยอ้างตําราไม่ได้บอกโดยนึกคาดกันนเดาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรึกตามอาการไม่ใช่ว่าโอ้มันตรงกับรัที่เราแต่เรารู้ยังไงเนี่ยนะรู้ด้วยสัพพัญยุตยานอย่างไรเราจะบอกอย่างนั้นตามเป็นจริงแก่ท่าน คาอุปทีนี่นะทุกทั้งหมดมีอุปที่เป็นเหตุเนี่ยนะอุปที่มี10ประการนะตรงนี้1ตันหาตันหูปริทสองทิฏฐิทิถูปฏะที่สมกิเลสูปริ4ี่สกำมูปริทหทุจิริตูประที่หอาหารูปริทเจปฏิคูประที่อุปธิคืออุปาทินธาตุสคือมหาภูตรูสี่นะเอุปที่คืออายตนะภายใน6กสบอุปทิคือวิญญาณหมวด6 สรุปว่าทุกแม้ทั้งหมดนั่นแลเป็นอุปธิที่แปลว่าอุปธินี้แปลว่ายากที่จะทนได้จื่เรียกว่าอุปธิสิบนะก็แบ่งเป็นตันหาทิฏกิเลสกรรมทุจริตอาหารปฏิฆะมหาภูต ร, รูปเสียยตนาภายในย6หรือวิญญาณหมวด6เนี่ยเนะมื่อกี้บอกว่าวิญญาณหมวด66หกเราเรียว่าอุปธิเ น, นีเพราะฉะนั้นชาติทุกชราพยาที่มรณะโซโกะปริเทวะทุกทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ย มีอุปทิเป็นนิทานมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นปัจจัยมีอุปธิเป็นกุรณะย่อมมีย่อ ม, ม, มเป็นเกิดบังเกิดบังเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏเพราะฉะนั้นที่กล่าวทั้งหมดว่าทุกทั้งหลายมีอุปทิเป็นเหตุมีตันหาทิ่ทีกิเลสกรรมทุจริตอาหารอุปธิอันนะอันนี้เพราะเพราะเพราะปัจจัยอ่ะนะคือกิเลสอ่ะเป็นเหตุแห่งทุกหรือเพราะทว่าไปอ่ะนะทุกทั้งหมดมันเกิดจากอะไรโรคทั้งหมดในโรงพยาบาลเกิดจากอะไรก็เนื่องจากมีร่างกายอ่ะ เนื่องจากมีมหาพูดมันจึงทุกข์ที่ที่มันทุกข์อย่างหนึ่งก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั่นมันจึงทุกข์กันนะถ้าไม่มีนั่นนะใช่ไหมมันจึงเป็นโรคอะ่ะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเป็นโรคมาจากไหนจริงๆอะ่ะที่ถึงจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีวิ ญ, ญญาณหกเกิดมันก็ไม่ทุกข์อีกนั่นแหละอันจะ ก, กล่าวมาหนึ่งง่ายๆก็เพราะกิเลสนลั่นแหละเป็นเหตุจึงเกิดทุกข์อย่างในหนึ่งนะในหนึ่งก็คือเนี่ย มหาพูดสีนี่แหละเพราะมันมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์หรือเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นทุกข์ก็เพราะรับรู้อ่ะนะเออบางอย่างนะถ้าไม่เห็นจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้ยินจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นี่ยนะสมมุติถ้าอะไรอะเราเสียหายเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบจนตลอดชีวิตเราจะเสียใจกับเรื่องนั้นไหมเสียใจบางทีเรียกว่าทุกข์เพราะการรับรู้อ่ะ พันทุกเพราะวิญญาณหกอะนะเพราะเห็นเนี่ยเพราะไปเห็นนั่นแหละจึงทุกข์เนี่ยนะบางคนก็เพราะได้ยินนั่นแหละจึงทุกข์เนี่ยนะเพราะรู้กลิ่นนั่นแหละจึงทุกข์สมมุตินะเรามีญาติถ้าญาติเราตายตอนนี้นะจริงๆเขาอาจจะตายอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ยินเนี่ยนะไม่ได้ฟังไม่ได้ทราบเลยอะเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์嘛นะนะที่ทุกข์ก็เพราะการรับรู้นั่นแหละจึงเป็นทุกข์แต่ว่าคนนี่แปลงมันะกลับอยากรู้อะจะได้ทุกข์ไง ขอแจมหน่อยนะขอรู้ด้วยจะได้ขอแบ่งทุกด้วยนะขอทุกตัอย่างนั้นไปเรียกว่าไปรวบทุกกะเขาเพราะฉะนั้นทุกทั้งหมดเนี่ยนะมีอุปธิเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นกัลยณะเป็นปัจจัย <c oughs> ทุกทั้งหมดในโลกนะไม่ว่าจะเป็นอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกธาตุขันธาตุอริยตนะโลกทุกเป็นอย่างมากที่กล่าวไปเนี่ยนะก็มีอุปธิเป็นเหตุ พระองค์ก็แนะนำต่อไปว่าผู้ใดแลไม่ใช่ผู้รู้ก็แปลว่าคนพาลเนี่ยนะย่อมทาอุปธิผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยบ่อยคนพาลคนโง่งนี่ก็ทำแต่ทุกข์ให้กับตัวนะเพราะเหตุนั้นบุคคลรู้อยู่ไม่พึงทำอุปธิเป็นผู้พิจารณาเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยนะอธิบายว่าผู้ใดก็คือกรรษัตริย์พราหมณ์แพศสูตรกหัตบรรพชิตเทวดามนุษย์เนี่ยนะ เช่นใดควรอย่างไรชนิดอย่างใดการงานอย่างใดถึงฐานะอย่างใดประกอบอย่างใดคนเหล่าใดที่ที่ไม่รู้อ่ะก็คือเป็นไปในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาสามอ่ ะ, อะพวกคนเหล่านั้นก็ทําอุปธิกันก็คือพากันทําตันหูปุปฏิกิเลสูปุปฏิทิฏฐูปฏิเนี่นะ ตัมมูปฏิทูจริตูปฏิอาหารูปฏิปฏิคูปฏิอุปฏิคือมหาพูดสี่อุปฏิคืออายตนาภายในหกคือวิญญาณหกเนี่ยหรือว่าพวกนี้ก็จะทําพากันสร้างอุปฏิเหล่านี้นะสร้างกิเลสตัณหาสร้างมหาพูดสร้างอายตนะภายในสร้างวิญญาณหกให้เกิดให้เกิดพร้อมให้เกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นพวกคนโง่ชอบทําอุปฏิกันเนี่ยไง ของเราเนี่โง่ด้วยหรือเปล่าชอบสร้างนะเพลินในเพลินในสีก็สร้างตาใช่ไหมง่ายเพลินในสีสร้างตาเพลินในหูก็สร้างเอ่อเพลินในเสียงสร้างหูเพลินในจมูกสร้างเอ่เพลินในกลิ่นสร้างจมูกเพลินในรถอ่านอะไรไหมวันนี้ไงนะเข้าเมืองกินอะไรบ้างไะนะกลับมากินเนี่ยไงไงนะเพลินในรถก็สร้างลิ้นอะไรไหยก็พอกินได้เพลินในเนี่ยอากาศดีนะเงนะ สร้างกายใช่ไหมคิดอะไรก็สมใจบากหมดเลยอันนี้สร้างใจมันก็แหละสร้างไปทุกเรื่องอเลยสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจสร้างผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่อวในกระดูกก็สร้างไว้งั้ยแหละจริงนะเราก็สแสวงหาอาหารก็เพื่อจะสร้างมหาพูทใช่ไหมอาหารนี้บำรุงผมนะนนนะอาหารนี้บำรุงตาอาหารนี้บำรุงผิวอาหารนี่บำรุงมันข้น อาหารนี้บำรุงสมองอาหารนี่บำรุงฟันอาหารนี่บำรุงกระดูกไม่หาอะไรที่มาบำรุงหน้าดูเลยนะออชอบอุปเที่จริงๆอ่ะเรียกว่าอาหารหาหารูปเที่ะอาหารูปเที่เนี่ยมาเพื่อจะสร้างกายเนี่ยอาหารนี้ไปบำรุงส่วนนูน้นอาหารนู้นไปบำรุงส่วนนู้นเนี่ยนะอ้ยเสาะหาสะแสวงหากันเพราะฉะนั้นคนพ่านเหล่านั้นก็ปุนับปุนัง ทุกขโมกเปติแปลว่าเข้าถึงเข้าไปถึงย่อมจับรูปคลำยึดมั่นซึ่งชาติทุก น, นะคนพาลคนโง่งคนเขลาคนโง่เนี่ยนะเขสร้างทุกอย่างนี้เขาก็เลยถึงชาติทุกชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตทุกเพราะฉะนั้นเขาจะ<ม>เข้าจะเข้าถึงทุกบ่อยๆ